วันนี้ก่อนที่จะพูดธรรมะอยากจะขอฝากขา่าวแจ้งข่าวให้ท่านทราบว่าท่านที่ติดตามรายการสดแสดงธรรมวันพรุ่งนี้จะของดหนึ่งวันจะไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะทาง y o u t u b ู Facebook หรือวิทยุออนไลน์ เพราะว่าจะไม่อยู่จะไปธุระหนึ่งวันเลยต้องขอหยุดหนึ่งวันปีหนึ่งจะได้หยุดกับเขาสักวันนึงเนี่ยทํามาไม่รู้กี่กี่วันแล้วเนี่ยไม่ได้หยุดเลยแล้วมีความจําเป็นต้องไปธรรมดาก็ไม่อยากจะไปไหนไม่อยากออกไปข้างนอกกัง จะ แ, แสดงที่น่นไหมครับจะจะยกชุดไปนะก็ไปถ่ายดูบรรยากาศก็ได้แต่ไม่ได้แสดงไปฐานะเป็นเออเป็นเราก็คือทางวัดทางนั้นเขาเป็นเขามีกิจกรรมอะไรของเขาเราเพียงแต่ไปร่วมกิจกรรมนั่นเองแล้วก็ไปเหมือนกับญาติโยมคนหนึ่งที่ไป ทางวันเ็ามีผู้แสดงทมของเขาอะไรของเขาเราก็ไม่ไปก้าวไกย เ, ออเดี๋ยวจะโดนเตะออกไหมไม่ใช่เวทีของเราอตาก็ไปเพราะออมันเป็นหน้าที่ต้องไปก็เลยต้องไปหน่อยแต่ถ้าพวกเราอยากจะไปก็ได้เนี่ยถือกล้องไปแล้วก็ถ่ายทอดบรรยากาศให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านได้ดูก็ได้แต่มันจะเริ่ม เขาจะเริ่มแสดงทมประมาณบ่ายสามโมงแล้วก็เริ่มประชุมเพลิงเวลาสี่โมงเฮันก็ตามใจธรรมะจัดสรรที่นี่ไม่ได้สั่งไม่ได้ขอไม่ได้ห้ามหลานต้นก็ไม่ได้คิดว่าจะบอกใครที่ไม่ทราบใครไปโพสไว้ในเ c e b o o k เข้านะีเลยรู้กันหมดเลยูเตียงกันจะจีนหมูวไม่รู้เรืเ่อง่วมมทา ที่ไม่บอกเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีคนที่จะไปจัดงานเรามีแค่สองพี่น้องไม่ก็ไรไม่รู้จะไปเดี๋ยวเกิดใครมายอะแยะไม่รู้จะไปหาใครมาช่วยตอนรับแขกรับคนอะไรต่างเรื่องปัจจัยพอมีอยู่แต่เรื่องขาคนอะไรมาแล้วเราก็ไม่อยากจะกุ่นวายกับใครอยากทำไปตามภาษาของเรา ก็ทำแบบเงียบๆแต่ตอนนี้มันไม่เงียบมั น, ม, นมันไปดังขึ้นคนก็เลยรู้กันรู้ก็เลยก็ต้องเลยตามเลยไปจะกลับมาแสดงธรรมตามบกติก็วันพุธพรุ่งนี้วันอังคารก็งดหนึ่งวันอังคารที่ยี่บสองมกรา กลับมาแสดงทำตามปกติเหมือนวันนี้ก็วันพุธที่ยี่สบสามไปขอหยุดหนึ่งวันนานทีปีหนจะหยุดสักครั้งหนึ่งก็มีความสุขที่ได้แสดงทาได้พูดอะไรนี่ไม่ไม่ได้เป็นความทุกข์อะไรถ้าทุกข์ก็คงจะไม่มาแล้วก็เห็นประโยชน์ที่ญาติโยมจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรม เพราะธรรมนี้เป็นของที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งใครได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้ปฏิบัติแล้วจะเข้าใจเรื่องของชีวิตของเราดีขึ้นจะไม่สงสัยว่ามาเกิดได้อย่างไรตายแล้วจะไปไหนตายแล้วใครตายหรือเปล่าอะไรนี่มันมันไม่มีความสงสัยมันไม่มีอะไรที่น่า ก, กลัวเลยเหมือนกับเวลาเราอยู่ในที่มืดนี่เราคิดผีนูน่นผีนี่มา พอเปิดไฟอ๋อจิกจกมันวิ่งไปวิ่งมาให้ทํานองนั้นเนี่ยใจเราตอนนี้มันมืดบอดเหมือนอยู่ในที่มืดมันเลยหวาดกลัวไปหมดหวาดกลัวว่าไ อ, อนั้นจะเกิดไอ้อนี่จะเกิดสิ่งนั้นจะมาทำร้ายเราอะไรเราเนี่ยมันเป็นความหลงทั้งนั้นแหะถ้าเปิดไฟหน่อยบอกโอ้ยมันไม่มีเราตรงไหนเนี่ย แล้วมันจะมีใครมาทำะไรเราได้มันไม่มีไอ้ไอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรามันก็ไม่ใช่เป็นเราร่างกายเนี่ยพวกเราคิดกันว่ามันเป็นเราอะไรเงี้ยถึงกลัวกันเร้่กันกลัวตายกลัวเจ็บกลัวแก่กัน <c oughs> เพราะไม่มีไฟมันอยู่ในที่มืดเนี่ยพอหนูมันวิ่งบนเพดานก็ผีมาแล้วพอลมพัดหน่อยก็โอ้ยมาแล้ว มันคิดไปต่างๆนานาตามความรู้สึกนึกคิดมันไม่ใช่เป็นความจริงเนาะมันเป็นของปลอมเนี่ยใจเราหลอกตัวเราเองถ้าเราได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะแล้วนี่มันจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นเาราเนาะร่างกายมันก็เป็นดินน้ําลมไฟเนี่ยร่างกายมันก็เป็นธาต อาการสาวสิบสองเนี่ยลองคนดูร่างกายมันมีอะไรพุทธเจ้าให้ศึกษาดูก็มีผมขนเล็บฟันเห็นไหมหนังเห็นไหมเนื้อ น, น, น, น, น, นี่เรามองไม่เห็นอยู่ใต้ผิวหนังเราไม่เห็นล้วเห็นได้ผมขนเล็บฟันหนังนั่นเองห้าอาการแต่หลังจากนั้นเราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเออพระธรรมบอกให้ศึกษาดูมี ยีสิบเจ็ดอาการด้วยกันรวมทั้งหมดสามสิบสองที่เห็นข้างนอกนี้มีอยู่ห้าผมขนและฟันหนังเนี่ยห้าใต้ผิวหนังก็เนื้อแล้วก็เอ็นใช่ไหมเอ็นก็กระดูกเนื้อกับเอ็นมันมันก็กระดูกมันก็รัดกันไว้ด้วยเอ็นแล้วหลังจากนั้นก็มีอวัยวะต่างๆมี ม, าม้ามีหัวใจมีตับ มีปอดมีพังผืดมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยมีอาหารเก่าอาหารใหม่อยู่ในลำไส้แล้วก็มีเยื่อในสมองศีรษะอันนี้เป็นอาการอาวัยวะต่างๆภายในร่างกายมันไม่มีตัวเราในนั้นตัวเราอยู่ตรงผมหรือเปล่าถ้าเป็นเราเราตัดผมไปเราก็ไปกับผมแล้วเลย ถ้าไมเรายังอยู่เนี่ยแม้เนี่ยโกนหัวเนี่ยผมหายไปหมดแล้วตัวเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมถอนฟันไปแล้วเป็นไงหายไปป่าตัวเราหายไปหรือเปล่าก็ไม่หายไม่มีมันไม่ได้เป็นเราเราเพียงแต่มามาครอบครองเหมือนมาเป็นเจ้าของเหมือนการเราไปซื้อตุก๊กตามาเนี่ยแล้วเราก็ไปคิดว่าไอ้ตุก๊กตานี้เป็นเราเท่านั้นเอง เพราะว่าเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเราไม่เห็นไม่เคยเห็นหน้าตาตัวเราเองตั้งแต่เกิดมานี่จะเห็นก็เห็นแต่หน้าตาของร่างกายก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นเราแต่ถ้ามาศึกษาแล้วมาได้ยินได้ฟังคำสอนจากบรมครูจากพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดแต่ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดกว้างยาวนะักเรามาซื้อตุ๊กตาตัวนี้จากพ่อแม่เราพ่อแม่เราผลิตตุ๊กตาขายเราก็มาขอซื้อตุ๊กตาตัวนี้มาได้ร่างกายอันนี้เปยนเหมือนกับมาขี่มา้านา่งกายนี้อาจสมมติว่าเป็นมา้า เราก็เป็นคนขี่เราเป็นคนสั่งให้ร่างกายเดินไปไหนมาไหนให้ลุกให้ยืนให้นั่งให้นอนให้กินให้ดืม่มเราเป็นคนสั่งถ้าไม่มีเราร่างกายมันทํอะไรเองไม่ได้เห็นหตอนที่คนตายนี่ไม่มีไม่มีใจผู้รู้ผู้คิดที่จะมาสั่งให้ร่างกายทำนู่นทำนีเน่เพราะร่างกายกับร่างกับใจแยกกันไปคนละทาง เพราะว่าร่างกายมันไม่หายใจพอร่างกายตายใจที่เคยสั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆก็สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ก็เลยไปดีกว่าเท่านั้นเองใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่กำลังฟังธรรมนี่คือใจโดยอาศัยเสียง เข้าไปที่หูก่อนเสียงนี้เข้าไปที่หูของร่างกายแล้วใจก็มีวิญญาณมารับตัวที่มารับเสียงนี่เราเรียกว่าโสตะวิญญาณโสตโสตะบาวโสตแปลว่าหูรูปที่เข้ามาทางตาใจก็เอาจากขุวิญญาณ มารับมารับรูปไปให้ใจเป็นเหมือนบุรุษไปสนีมารับข่าวสารจากร่างกายมารับรูปมารับเสียงมารับกลิ่นมารับรสมารับความสัมผัสที่มาสัมผัสตามร่างกายต่างๆ่าเห็นไหมพออะไรมาแตะร่างกายหน่อยได้รู้เลยรู้ว่าแข็งหรือนุ่มรู้ว่าร้อนหรือเย็นผู้รู้ไม่ใช่ร่างกาย ผู้รู้เกิดใจโดยอาศัยวิญญาณมารับข้อมูลมารับข่าวสารแล้วก็ไปรายงานให้กับใจว่าให้ตอนนี้มีรูปแล้วนะรูปคนนี้เป็นใครใจก็ต้องมานั่งคิดแล้วเคยเห็นคนนี้หรือเปล่ามีอยู่ในความจําหรือเปล่าถ้าไม่มีไม่รู้จักก็ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีจะดีใจหรือเสียใจก็ไม่รู้ เพราะว่าไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ถ้าจำได้ว่าคนนี้เคยมาขมโมยเงินเรา่ ม, มาทุบตีเรานี่มันรู้ว่าไอ้คนนี้ไม่ดีแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาหรือถ้าไอ้คนนี้มันเคยมาช่วยเราเคยเอาเงินมาให้เราเคยเอาข้าวของมาให้เรามันก็จะเกิดความรู้สึกอีกอย่างมันก็จะรูส้สึกดีใจฮคนนี้เขาดีกับเรานะมันก็เลยเกิด เวทนาคือสุขหรือไม่สุขถ้าเห็นรูปที่ดีจำได้ว่าเป็นรูปที่ดีก็ดีใจถ้าเห็นรูปแล้วจำได้ว่ามันไม่ดีก็ไม่ไม่ไม่ดีใจเสียใจถ้าจำไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นรูปดีแล้วไม่ดีก็เฉยเฉยก็จะเกิดความรู้สึกเฉยเฉยขึ้นมาพอเกิดความรู้สึกแล้วมันก็คิดแล้วจะแล้วจะทำยังไงถ้าไม่ดีก็ดอนหนีดีกว่าใช่ คนนี้มาแล้วเดี๋ยวมันมีเรื่องกับเราอีกแล้วอย่าไปเจอหน้ามันดีกว่าเดินหนีไปดีกว่าอันนี้ก็ความคิดแะความคิดสั่งให้ร่างกายถอยดีกว่าถ้าเขาดีถ้ารู้ว่าเขาดีก็เดินเข้าหาเขาดีกว่าเขาอาจจะเาอะไรมาให้เราอีกแล้ว น, นีนะ่คือนี่แหละไม่ใช่ร่างกายนะใจใจเป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามา แล้วก็มาแปลรูปเสียงกิริย์ดว่าดีหรือไม่ดีแล้วพอรู้ว่าดีหรือไม่ดีก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาถ้าดีก็เกิดความสุขใจขึ้นมาพอเห็นหน้าตาแฟนนี่สุขใจขึ้นมาพอเห็นหน้าตาเจ้านี่นี่ทุกข์ใจขึ้นมาแต่เห็นแฟนก็กระโดดวิ่งใส่เลยใช่ไหมถ้าเห็นเจ้านี่ก็หามุมหลบละ เนี่ยใจเนี่ยเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆหลังจากที่ร่างกายรับข้อมูลมาให้ส่งมาให้ใจแนละ้วเนี่ยใจกับร่างกายเป็นคนละสวนกันมารวมกันตอนที่พ่อแม่สร้างร่างกายขึ้นมาในท้องพอพะมีเชื้อของพ่อมาผสมกับเชื้อของแม่ร่างกายมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นมา ช่วงนั้นก็ใจที่ต้องการได้ร่างกายก็มามาขอรับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพแล้วก็รอให้ร่างกายนี้เจริญเติบโตมอีอวัยวะครบสามสิบสองแล้วก็อยู่ในท้องต่อไปไม่ได้ก็คลอดออกมาใจก็ขี่ร่างกายมาตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในท้อง เป็นเจ้าของร่างกายนี้มาตั้งแต่อยู่ในท้อง <c oughs> แล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนหรือทุกคนก็สอนว่าร่างกายนี้เป็นใจใจเป็นร่างกายไปใจก็เลยรักเลยหวงเลยห่วงร่างกายเพราะต้องการใช้ร่างกายพาไปหาความสุขต่างๆพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปดืม่มต้องมีร่างกาย <c oughs> ถึงจะทำได้ดังนั้นก็เลยลักห่วงห่วงกลัวร่างกายมันจะเป็นอะไรไปเพราะถ้ามันเป็นอะไรไปก็จะไปหาความสุขไม่ได้ถ้าไม่สบายจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปกินเลี้ยงก็ไม่ได้ดังนั้นต้องกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วย กลัวความแก่กันเพราะแกแล้วเขาไม่มีแต่คนรังเกียดนะไม่มีใครอยากจะคบค้ากับคนแก่นะชอบจะคบกับคนหนุ่มคนสาวเลยไม่มีใครอยากจะแก่กันผมงอกก็ต้องย้อมให้มันดำหนังเขียวก็ต้องดึงให้มันตึงเพื่อจะได้ดูไม่แก่เพื่อจะได้เข้าสังคมกับเขาได้ เพราะถ้าแก่แล้วเขาลังเกียจสังคมเขาลังเกียจคนแก่ก็ถามว่าอีแก่นี่มาทำอะไรไม่เจียมเนื้อเจียมตัวบ้าง <c oughs> มาเต้นแล้งเต้นการในดิสโก้ได้บ่ะคนแก่คนแก่ต้องไปวัดเนี่ยนี่แหละคือใจมาขอ ใจมาใช้ร่างกายพาไปหาความสุขต่างๆใจเลยต้องการร่างกายที่หนุ่มที่สาวที่แข็งแรงมีสุขภาพดีถึงจะสามารถพาไปไหนมาไหนได้พอมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังต้องมีอย่างอื่นอีกต้องหาเงินนนี่ยจะไปเที่ยวมันไม่มีเงินก็ไปเที่ยวไม่ได้ ทีนี้ก็เรต้องวุ่นละต้องไปเรียนหนังสือไปหาความรู้เพื่อเวลาเรียนจบมีความรู้สูงๆจะได้ทํางานมีไรายได้ะพอมีไรายได้ทีนี้มีเงินแล้วทีนี้เที่ยวได้แล้วมีเงินซื้ออะไรอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ก็เราจึงนอกจากรักร่างกายแล้วก็ไปรักเงินต่อเงินนี่สําคัญเพราะว่าจะมิจะซื้อความสุขต่างๆได้ต้องมีเงินซื้อ ถ้าไม่ฉะนั้นก็เอาความสุขฟรีก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรความสุขฟรีๆนี่มันไม่มันไม่สุขเลยนะต้องความสุขแบบเสียเงินมันถึงจะมันถึงจะสุข <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องดิ้นรนหาเงินหาทองกันเหนื่อยยากกันเหนื่อยเมื่อไรนอกจากหาเงินหาทองมาเลี้ยงต้องมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยเนอร่างกายถ้าขาดเงินเสียอย่างตาย ไม่มีเงินซื้อข้าวกินไม่มีเงินจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินรักษาเดี๋ยวก็เป็นตายได้เนี่ยร่างกายมันก็เลยกลายเป็น เ, เป็นกองทุกข์ึกขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัว เ, เพราะความที่เราไปพึ่งมันไปหวังให้มันทําอะไรให้กับเราเราเลยต้องมาทําอะไรให้กับมันเยอะแยะไปหมดน เราเด็ดเหนื่อยเมื่อลรกับการเลี้ยงดูรักษาร่างกายแล้วประโยชน์สุขที่เราได้จากการมีร่างกายก็นิดเดียวแต่เวลาได้ไปเที่ยวกันเนี่ยเช่นปีใหม่ที่ผ่านมานี้ได้ไปเที่ยวกันปีหนึ่งก็แค่สามสี่วันเสร็จแล้วก็ต้องมาทำงานเป็นเดือนกว่าจะมีเงินไปเที่ยวอีกเนี่ยร่างกายความจริงแล้วมัน ให้ความทุกข์กับเรามากกว่าให้ความสุขแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อเกิดมาแล้วเมื่อมีร่างกายมันก็ต้องใช้มันต้องอาศัยมันไปเพราะถ้าไม่ถ้าให้อยู่บ้านเฉยๆมันก็งดเย็ดน้ำคานใจซึมเศร้าอีกก็เล ย, ยต้องยอมลำบากกับการเลี้ยงดูร่างกาย ยอมลำบากกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาซื้อความสุขต่างๆแล้วก็เป็นความสุขประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมไปเที่ยวปีใหม่กลับมาแล้วหายไปไหนแล้วทีนี้ก็รอตุรจีแล้ะเดี๋ยวก็ไปเที่ยวตุรจีต่ อ, อมันก็มองไปข้างหน้าอยู่เรื่อยเพะตุรจีผ่านไปความสุขที่ได้จากตุรจีก็หมดไปก็สงการนะใช่ไมเดี๋ยวมันก็มองไปเรื่อยข้างหน้าไปเรื่อย เดี๋ยวสงการหมดไปก็เข้าพรรษาแล้วนี่มันก็วนไปเวียนมาอย่างนี้ความสุขแบบโลกโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ความทุกข์ยากลำบากในการที่จะหาความสุขต่างๆเหล่ า, านี้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า กับการทำงานทำการเห็นไหมตื่นแต่เช้ามืดขึ้นมาเตรียมตัวขายข้าวขายของกันกว่าจะได้เงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองอมาซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆตามภาษาของเราแล้วก็อยู่อย่างนี้ไปจนกว่ามันจะสะดุดมันก็มีสะดุดได้สองแบบสะดุดแบบเงินไม่มีค้าขายเจ๊งขายแล้วไม่มีลูกค้ามาซื้อของนี่ เจ๊งทีนี้ก็เดือดร้อนสะิถ้าไม่มีเงินเนีหรือถ้าไม่เจ๊งมหีหาได้เรื่อยๆเดี๋ยวมันนั่งกายมันก็แก่ลงแก่ลงเดี๋ยวมันก็ทําไม่ไหวอยู่ดีหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไปเจออุบัติเหตุเขี่ซาเล้งขายของอยู่รถมาชนนะพังนี้ขาเจ็บแขนเจ็บขึ้นมาก็เอหาเงินไม่ได้แนละ้วสิทุกข์ไหมห หรือถ้าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรเดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องเจ็บของมันเองอะ่ะเจ็บด้วยความชราอาวัยวะมันเสื่อมมันก็เหมือนรถเก่ารถเก่าวิ่งไปได้เดี๋ยวมันก็หยุดละเดี๋ยวไอ้นั่นก็เสียไอ้นี่ก็เสียต่อไปร่างกายก็แบบเดียวกันเดี๋ยวปอดก็เป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ตับก็เป็นไอ้นั่นไอ้นี่ตายก็เป็นไอ้นั่นไอ้นีน่มันเริ่มเสียคือสจบแล้วก็ มีร่างกายมันไม่ดีเลยมันมีแต่ความทุกข์แต่เนื่องจากว่าเราดูจากวิธีหาความสุขแบบมีแบบต้องใช้ร่างกายเราก็เลยต้องมามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆจนกล่าเราจะได้มาเจอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่สรงคนพบว่ามีมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ร่างกายมาหาความสุขแบบนี้ดีกว่า แล้วจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายแล้วถ้าร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะเราสามารถหาความสุขแบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นทางเลือกใหม่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่รู้กันเราก็จะติดอยู่กับการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้ไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไป เราก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็กลับมาทําแบบร่างกายอันเก่าเหมือนกันเชื่อไม่ว่าเราเปลี่ยนร่างกายมานี้ไม่รู้กี่ร่างร่างกายแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าเราเปลี่ยนมากี่ร่างกายพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาน้ำตาที่เราร้องให้แต่ละครั้งที่มาเกิดเนี่ยเอาเก็บใส่ขวดไว้แล้วเอามารวมกัน บอกว่าน้ำตาที่เราหลั่งเนี่ยเมื่อมารวมกันในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเองคิดดูได้น้ำแค่ในอ่าวพัทยานี่ก็ต้องกลับมาเกิดกี่ครั้งกันถึงจะร้องไห้ได้เท่ากับน้ำตาที่มีอยู่ในอ่าวพัทยานี่แต่มันมากกว่านั้นพระพุทธเจ้าบอกในมหาสมุทรเลยมหาสมุทรใหญ่ นั่นแหละคือจำนวนร่างกายที่เราหากันมาอยู่เรื่อยๆใช้มันมาอยู่เรื่อยๆเกิดมาแต่ละครั้งก็ต้องร้องห่มร้องไห้กันกับความทุกข์ชนิดต่างๆทุกทางร่างกายก็ร้องไห้ทุกทางจิตใจก็ร้องหหไห้เสียอกเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้เ <c oughs> นี่ยร้องกันอย่างเดียว <c oughs> นี่แหละถ้าเรายังไม่หา ถ้าเราไม่ศึกษาวิธีหาความสุขแบบใหม่อยู่เราก็จะกลับมาหาร่างกายแบบนี้ต่อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหรเราจะได้มาเจอคนแบบพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะคนแบบพระพุทธเจ้านี่นานๆก็จะมีโผล่ขึ้นมาสักครั้งมีปรากฏขึ้นมาในโลกการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้ถ้าว่าเป็นของที่ยากมากไม่ได้เกิดแบบ อดอกเห็ดฝนตกปั๊บก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ไม่รู้กี่แสนล้านปีกว่าจะมีพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาสักองค์หนึ่งที่จะมาค้นพบวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพวกเราโชคดียิ่งกว่าถูกอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพันครั้งหนึ่งเพราะเราได้มาเจอพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ไม่ได้เจอตัวจริงแต่เจอตัวแทนที่เหมือนกัน คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือเจอผู้ที่มาทําหน้าที่แทนคือพระอริยสงฆ์สาวกท่านจะบอกวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายให้กับพวกเราถ้าเราเชื่อแล้วเราพยายามทาตามเดี๋ยวต่อไปเราก็สามารถหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้เหมือนกับถ้าเราเบื่อกับการเที่ยวอยู่บน คืนเด่นนี่ก็มีคนสนามารถไปเที่ยวใต้ทะเลมไหมใต้ทะเลก็มีที่น่าเที่ยวนะไปดูของใต้ทะเลมีปาลากรังมีปลาสีอะไรต่างๆแตาจะลงไปได้ก็ต้องไปหัดดำน้ําก่อนใช่ไหมถ้าดำน้ําไม่เป็นลงไปก็ลงไปได้ไม่นานก็ต้องโผล่ขึ้นมานะคนที่อยากจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจาก บนบนแผ่นดินบนพื้นดินอยากจะลองไปหาความสุขแบบใต้ดินใต้น้ำก็ต้องไปหัดว่ายน้ำก่อนถ้าว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องว่ายน้ำก่อนแล้วถ้าดาน้ำใช้เครื่องประดาน้ำไม่เป็นก็ต้องหัดก่อนเพราะเครื่องประดาน้ำนี่มันจะมีถังให้เราหายใจใช้ถังเก็บลมหายใจไว้เวลาเราลงใต้น้ำมันไม่มีลมหายใจเราก็เลยต้องเอาลมหายใจใส่ถังไป แล้วเราก็ใช้ถังลมหายลมหายใจจากถังนั้นหายใจแล้วเราก็มีหน้ากากกันน้าเข้าตาทีนี้เราก็เห็นอะไรต่างๆอย่างชัดเจนถ้าเราไม่ลงไปใต้น้าเราจะไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกันการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ต้องมาเรียนเรียนวิธีว่าหาอย่างไร เปลี่ยนเปลี่ยนการหาเลอกสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องเลิกหาความสุขแบบที่เราเคยหากันเก็เอาเงินไปซื้อของกินของเล่นอะไรต่างๆนี้ก็ต้องหยุดซื้อได้อย่างเดียวก็คืออาหารของจําเป็นที่จะต้องเลี้ยงร่างกายแต่เรื่องอื่นเช่นไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปซื้อของประดับอะไรต่างๆมาใส่เนี่ย ห้ามต้องหยุดเพราะว่าถ้าไม่หยุดเนี่ยมันเราจะไม่มีเวลามาหัดหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะถ้าเรายังซื้อของต่างๆอยู่เราก็ต้องไปหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าเราต้องการเวลาหยุดทำงานเราก็ต้องหยุดใช้เงินถ้าเรายังใช้เงินอยู่เราก็ต้องไปทำงาน เราก็จะไม่มีเวลามาหัดหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี่คือขั้นแรกเราต้องเลิกหาความสุขแบบเก่าตอนต้นก็อาจจะเลิกทันทีทันใดไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดนะอยู่ดีๆจะให้ไม่เสพเลยมันไม่ได้หรอกมันลงแดงก็ให้ลดลงก็แล้วกันใครเสพเจ็ดวันก็เอาแค่หกวัน ลองลดงดลองทั้งวันหนึ่งเนี่ยวันพระพระพุทธเจ้าบอกว่าให้งดเสบรูปเสียงกลิ่นลดลดงดเสบดงดเสบความสุขผ่านทางร่างกายด้วยการมาถือศีลแปดศีลแปดจะห้ามหาความสุขจากการไปร้องลำทำเพลงไปแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมอะไรต่างๆไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ แล้วก็ไม่ให้กินมากเกินไปกินเพื่ออยู่ไม่ได้กินเพื่อความสะดวกถนานเพื่อเพลินอารมณ์กินตามเวลาแล้วก็ให้กินไม่ไม่มากกินแค่เที่ยงวันก็พอถ้ากินเพื่อเลี้ยงร่างกายนี้กินแค่เที่ยงวันก็พอร่างกายอยู่ได้ไม่ตายรอวันไว้วันพรุ่งนี้ตอนเช้าค่อยกินใหม่ได้ไม่ตายหรอก ถ้าเป็นวันพรกก็เอาแค่เที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันจะได้มีเวลามาหาหาความสุขแบบใหม่กันความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายอันนี้คือการถือศีลแปดเพื่อให้เราหยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกายกัางคืนก็ไม่นอนกับแฟนถ้ามีแฟนก็ไม่นอนกับแฟนอยู่กันคนละห้องหรือทางที่ดีอยู่กันคนละบ้านเลยดีกว่า แฟนอยู่บ้านเราไปอยู่วัดเนี่ยพออยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมันอดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเคาะประตูหากันก็ต้องอยู่ไกลๆไปอยู่วัดกัน <S <S 1> <S 1> วัดเนี่ยเป็นที่ฝึกให้เราหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย <S <S 1> <S 1> พอเราไปอยู่วัดแล้วหลังจากทิ้งมนเราก็จะมีเวลาว่างมาหาความสุขทางร่างทางทางจิตใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ด้วยการใช้สติสตินี่แหละเป็นเครื่องมือแทนร่างกายแทนเงินทองถ้ามีสตินี่สามารถหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้คอยควบคุมใจอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วมันจะอยากอยากแล้วมันจะทรมานใจจะทนไม่ไหวเดี๋ยวจะต้องไปทำตามความอยาก ให้หยุดคิดหยุดอยากต้องใช้สติสตินี้ก็มีหลายแบบเช่นการท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็เป็นวิธีหยุดความคิดหยุดความอยากได้อย่างหนึ่งทาอะไรก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงขนมนมเนยมันก็จะไม่อยากกินอย่าไปคิดถึงแฟนมันก็จะไม่อยากจะไปหาแฟนให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไป แล้วพอเราไม่ต้องทําอะไรก็นั่งหลับตาพุทโธต่อไปหรือถ้าเราจะเปลี่ยนจากพุทโธมาใช้ดูลมหายใจเข้าออกไไอก็ได้ทํำยังไงก็ได้อย่าให้คิดก็แล้วกันให้ทําดูลมหรือให้พุทโธพุทโธไปมันก็จะคิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะหยุดพอหยุดแล้วใจก็จะสงบเกิดความสุขแบบใหม่ขึ้นมาะ แล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขแบบเก่าด้วยความลึกซึ้งความหนักแน่นของความสุขทางใจที่เกิดจากความสงบนี่มันลึกซึ้งหนักแน่นกว่าความสุขทางร่างกายได้ยาวนานกว่าด้วยความสุขทางร่างกายปั๊บเดียวก็หมดละอยากจะกินขนมพอได้กินปั๊บเดี๋ยวก็หมดละอยากจะได้ความสุขใหม่ก็ต้องกินใหม่ แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันอิ่มมันไม่หิวมันสบายอันนี้แหละคือวิธีขั้นแรกหาความสุขด้วยการใช้สติก่อนพอเรามีสติเราต้องการจะได้ความสุขแบบนี้เราก็ไปนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจออกก็รู้ว่าออกเท่านั้นเองไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมแต่อย่างใดไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกให้ดูลมอยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกแต่ต้องคอยดูเหมือนยามเฝ้าประตูคอยดูว่าใครเข้ามาใครออกไปต้องดูตลอดเวลาอย่าให้เผลออย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้ารู้ว่าคิดก็ต้องดึงกลับมาให้กูไม่ได้ดูลมแล้วน่ะกูกำลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องดึงกลับมาอหรือถ้าพุโทโธก็ไม่ต้องดูลมพุโทโธก็ดูพุโทโธอย่างเดียวว่าตอนนี้พุโทโธอยู่หรือเปล่าบางทีพุโทโธได้สองสามคำไม่รู้พุโทโธหายไปไหนแล้วะไปคิดถึงแฟนคิดถึงขนมแล้นะออันนี้ก็ต้องกลับมาถ้าต้องคอยเฝ้าดูว่าเรากําลังพุโทโธอยู่หรือเปล่าะ ว่ามันเหมือนยามเฝ้าพุโทโธให้พุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวอะไรมาโผล่มาให้รับรู้ในขณะพุโทโธก็อย่าไปสนใจมีเสียงมีกลิ่นมีความรู้สึกอะไรปรากฏขึ้นมามีแสงมีอะไรก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเพราะเราไม่ต้องการของเหล่านี้ของเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับใจไม่ให้ความสุขกับใจ เหมือนกับความสงบสิ่งที่เราต้องการคือความสงบจะสงบได้ก็ต้องให้อยู่กับพุโทโธหรือให้อยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวไม่ให้คิดอะไรต่างทั้งหลายทั้งปวงแล้วพอมันสงบแล้วมันมันก็หยุดพุดโทโธไปเองหยุดดูลมไปเองพอเหมือนคนกินข้าวเวลากินข้าวถ้ายังไม่อิ่มเนะี่ยตักกินเข้าไปเรื่อยใช่ไหเพอมันอิ่มแล้วกินต่อไปไหวไหม ไม่กินแะมันรู้ว่ามันไม่กินไม่ลงนะอ่าอันนี้ก็แบบเดียวกันเวลาพุทโธพุทโธนี้ถ้ามันยังไม่อิ่มมันยังไม่สุขมันก็ต้องพุทโธไปเรื่อยๆพอมันอิ่มมันสุขปั๊บมันรู้แล้วเออไม่ต้องพุทโธละสบายละจิตนิ่งละไม่คิดปรุงแต่งไม่ดิ้นนะอมันจะรู้เองถ้าปฏิบัติมันจะรู้ถึงเวลาถึงจุดนั้นมันจะรู้ว่าเออจิตของเราตอนนี้มัน ไม่ต่อต้านไม่ต่อสู้ละไม่ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันเฉยมันสักแต่ว่ารู้มันอิ่มมันสบายมันมีความสุขนี่คือผลที่เกิดจากการฝึกสติแต่ความสุขที่ได้จากการฝึกสตินี้มันจะได้ชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวกินเลสมันก็มีกำลังมากกว่ามันก็จะดันให้เราออกมาหารูปเสียงกลิ่นรส อยากจะลุกขึ้นนั่งนั่งไปนานๆพอจิตเริ่มหายหายจากความสงบพอคิดถึงรูปเสียงกลิ่นแล้วก็อยากจะลุกละอยากจะเปลี่ยนที่ถ้านั่งแล้ะอยากจะลุกขึ้นไปทํานู่นทํานี่ละพอถ้าเราออกมาแบบนี้ความสุขที่ได้ก็จะหายไปถ้าเราอยากจะรักษาความสุขนั้นต่อไปก็มีสองวิธีก็ต้องฝึกสติต่อไป พอออกมาป๊บก็พุทโธต่อไปใหม่เริ่มพุทโธใหม่หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็คอยเฝ้าดูว่าร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่อย่าไปดูลมเพราะถ้าเวลาทำอะไรอยู่นี่ดูลมยากให้ดูงานที่เราทำอยู่เช่นกำลังเสียบไก่ปิ้งนี่นก็เสียบมันไปอยู่กับไก่ปิ้งอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้กาลังผสม เครื่องปุงแต่งคุกไกก็ให้อยู่กับงานที่เราทำอยู่หรือไม่ว่าเราทำอะไรขอให้เราเฝ้าดูอยู่กับงานที่เราทำอยู่อย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่ากำลังฝึกสติถ้าเราฝึกได้ใจมันก็จะไม่หิวไม่อยากไม่โลภมันก็จะรู้สึกเย็นสบายเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิแต่อาจจะไม่เท่ากับที่อยู่ข้างในแต่อย่างน้อยมันไม่หายไปแบบ รวดเร็วอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ต้องคอยทําอยู่เรื่อยๆพอหยุดสติเมื่อไหร่ปั๊บเดี๋ยวหายเลยอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้มันไม่หายก็คือต้องหัดมาใช้ปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือตายรักษณ์ปัญญาคืออริยสัจสี่ต้องเข้าใจว่าตายรักเป็นอย่างไร ต่ลักมีสามอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงต่อสิ่งที่เราอยากได้นั่นไม่เที่ยงอยากได้ความสุขจากสิ่งนั้นมันได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็กลายเป็นทุกขังขึ้นมากลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วอนัตตาแปลว่าอะไรก็ว่าเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้ สั่งให้มันหมดไม่หมดไม่ได้วงนนี่เราไปสั่งให้มันไม่หมดได้ั้มถ้าเราใช้มันทุกวันนี่เดี๋ยวมันก็ต้องหมดนะถ้าอยากจะให้มันไม่หมดก็อย่าไปใช้เท่านั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างนี่เราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นไปทุกวันเหมือนกันตลอดเวลาสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เดี๋ยวมันก็หมดไปถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้ มาให้ความสุขกับเรามันเป็นความสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความทุกข์เราก็ไม่อยากดีกว่าเราก็หยุดความอยากได้เลิอกอยากได้พอเราเลิกความอยากได้จิตก็กลับเข้าไปสู่ความสงบโดยอัตโนมัติทีนี้ก็จะสงบยาวเลยเพราะไม่มีอะไรมาคอยทำลายความสงบตัวที่ทำลายความสงบก็คือความอยาก พอเกิดความอยากขึ้นมาแต่ละครั้งก็ต้องเอาไตาลักษ์มาใช้ทุกครั้งไปถ้าใช้ใตไตลักษ์เป็นมันก็จะตัดความอยากได้ไตลักษ์นี่เป็นเหมือนอการไก่เนี่ยถ้าเราอยากจะตัดผมเราต้องรู้จักใช้การไก่ใช่ถ้าใช้การไก่ไม่เป็นก็ตัดผมไม่ได้ถ้าเราอยากจะตัดความอยากหยุดความอยากเราก็ต้องใช้ไตลักษ์ต้องดูว่าสิ่งที่เราอยาก ว่ามันไม่เที่ยงมันจะทําให้เราทุกข์ทำให้เราเสียใจอยากได้แฟนเนี่ยพอเห็นคนที่ถูกอกถูกใจก็ฝันไปว่าโอ้เขาจะให้ความสุขกับเราอย่างนู้นอย่างนี้จะอยู่กันไปจนวันตายรักกันไปจนวันตายแต่พอได้มาจริงๆแล้วมันรักกี่วันเนี่ยหม้อข้ายังไม่ทันดําเลยเขาเรียก สมัยก่อนเขาหุงข้าวด้วยไฟด้วยฟืนหม้อข้าวมันก็เลยดำสมัยนี้มันไม่ีวันดำเพราะมันใช้หม้อไฟฟ้าแต่เรื่องของความรักกันเนี่ยมันรักกันไม่กี่วันพอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันละเดี๋ยวมันก็ตีกันนะนี่ไม่เที่ยงแต่เวลาหลงนี่ไม่คิดไม่ออกนะ คิดว่าจะรักกันเพียงอย่างเดียวจะจู๋จีกันไปเรื่อยๆจะไม่เคยคิดว่าจะมาด่ามึงกูกันเลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะไม่มีปัญญาไม่เห็นตายรักนะไม่เห็นอ น, นิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอไม่ไม่เห็นทุกข์ที่จะตามมาถ้าคิดเป็นเนี่ยต่อไปมันอยากได้อะไรบอกมันจะเห็นทุกข์เลยมันจะเห็นว่ามันไม่เที่ยง แล้วมันจะเห็นอนัตตาเขาละห้ามมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งให้แฟนนี่เขารักเราเหมือนวันตอนที่เขาแต่างงานกับเราได้ไหมก็มีแค่วันนั้นเท่านั้นอะที่เขารักเราสุดๆชี้ขี้เป็นขี้ชี้อะไรเป็นหมดแต่พอแต่างงานไปแล้วไปชี้ไปสั่งเขาเลยเขาไม่เอาแล้วละ่ะอันนี้แหละคืออนัตตาอันนี้จัง ก, ก็สุขเดียวเดียว เดี๋ยวว่ากลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากมันก็หดตัดความอยากไปได้เนี่ยเป็นเหมือนกันไก่เป็นเหมือนมีดตัดตันหาความอยากที่เป็นเหมือนผมเผาเนี่ยต้องการจะตัดผมเผามาให้มันงอกขึ้นมาก็คอยตัดมันสิเนี่ยหัวโลนเนี่ยมาเดี๋ยวสาสิบวันก็โกนมันทิ้งไปแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ได้โกนมาเนี่สี่สิบกว่าเปีนี้คงผมคงย า, ยาวไปถึงไหนแนละ้วะ อันนี้ก็เหมือนกันเราไม่เคยตัดกันเลยมีแต่ตามใจมันอยากจะได้อะไรโอเคอยากจะไปไหนโอเคเอาน้า น, น้ำตาตกในในภายหลังเ้ยบางทีก็มาบน่นโู่งนี้ก็ไม่เอาดีกว่าพมันไม่รู้สิมันถึงเอาใช่ไหมเพราะมันคิดไม่เป็นมันมองอนาคตไม่เป็นมันนึกภาพไม่ออก เวลาที่เห็นอะไรชอบนี่มันเห็นแต่ภาพดีๆเห็นแต่ภาพสวยๆงามๆทั้งนั้นแต่มันไม่ได้ถึงภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวที่จะตามมามันมาจะมาเห็นก็ตอนที่สายไปเสียแล้วได้เขามาแล้วได้เขามาแล้วถึงเห็นว่าโอ้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลย<ม>นี่แหละต้องหัดคิดมองภาพที่ไม่ดีของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆ ว่ามันไม่ได้ดีไปทุกอย่างแล้วมันเหมือนเหรียญสองด้านนะเราอย่ามองเหรียญด้านเดียวถ้าเหรียด้านเดียวก็จะเห็นเป็นหัวไปหมดมองที่ไหรก็เป็นหัวไปหมดต้องลองพลิกดูอีกด้านอ๋อมันมีก้อยเนี่ยมันอีกด้านนั้ไม่เหมือนกันนี่อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเราไม่พลิกเราจะเห็นว่ามันสุกไปหมดได้อนั้นมาก็สุกได้นี่มาก็สุกเนีย ถึงอยากได้กันมาเนี่ยไปชอปปิ้งกันเป็นบ้าเป็นบอเนะี่ยช็อ ป, ปอะไรก็คิดว่าได้มาแล้วมันจะสุขเนีะพอมันมาอยู่บ้านแล้วมันหายสุกไปไลนะ้วพอของอะไรที่อยู่ในบ้านนะั้นนี่ไม่อยากได้แนละ้วทิ้งเกินกาดเลยอยู่ในบ้านแต่ถ้าเป็นของอยู่ในร้านนี่อดที่อยากจะได้ไม่ได้เนี่แหละมันเป็นอย่างนี้พอได้มาแล้วมันก็หมดความหมายไป พอยังไม่ได้ก็ฝันว่าโอ้ยต้องดีอย่างนั้นต้องดีอย่างนี้พอได้มาแล้วก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดเลยเนี่ยต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขหละถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรอยู่เฉยๆมีความสุขกว่าอยู่กับลมหายใจเข้าออกกุทโธพุทโธไป แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว น, นี่แหละคือวิธีที่เราจะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาหาความสุขแบบนี้กันเพราะถ้าเราสามารถหาความสุขแบบนี้ได้เวลาร่างกายแก่ก็ไม่เป็นปัญหาเราก็ยังหาความสุขได้เพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายน่่งกายนั่งเฉยๆไปไหนไม่ไหวก็ไม่เป็นปัญหาเลยเรามีสติมีปัญญาก็ทำให้ใจสงบได้ทาใจให้มีความสุขได้ เก็บไข้ได้ป่วยไปนอนโรงพยาบาลก็ไม่มีปัญหาเลยสามารถใช้สติในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลได้สามารถใช้พุทโธได้สามารถทําใจให้สงบมีความสุขได้เวลาตายเวลาจะตายก็ไม่เดือดร้อนไม่กลัวตายเพราะไม่ได้เสียดายร่างกายไม่ไม่ห่วงร่างกายไม่ห่วงร่างกายไม่ยึดติดกับร่างกายก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย เวลาไม่มีร่างกายก็ยิ่งสบายใหญ่ก็ยังหาความสุขได้น่าดีกว่าตอนมีร่างกายตอนนี้พอไม่มีร่างกายแล้วไม่ต้องกินใช่ไหมมันไม่ต้องไปหาข้าวมากินแล้วไม่ต้องอาบน้ำให้มันแล้วไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องทำอะไรจิตปาถะที่เราต้องทำกันทุกวันนี้พอมีร่างกายแล้วเป็นยังไงต้องคอยเลี้ยงดูมันต้องคอยอาบน้าอาบท่าให้มัน ค่อยแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อดากับการเลี้ยงดูร่างกายไปพอไม่มีร่างกายแล้วสบายไม่ต้องไปหาอาหารมาเลี้ยงมันไม่ต้องทำอะไรกับมันอีกต่อไปแต่ยังมีความสุขได้เหมือนเดิมมีความสุขจากความสงบได้เหมือนเดิมเมื่อความสุขจากความสงบไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติกับปัญญาของตัวนี้ทนั้นเอง ถ้ามีสติก็สงบถ้ามีปัญญาก็จะตัดความอยากที่มาลบกวนความสงบได้ต่อไปก็จะไม่มีความอยากมาลบกวนความสงบความสงบก็จะสงบไปยาวเลยถ้ามีแต่สติอย่างเดียวมันจะสงบช่วคราวเดี๋ยวพอเจอความอยากมามันก็จะมาลบกวนความสงบ แล้วสติก็ไม่สามารถกำจัดมันได้ทำได้ก็เพียงแต่เบรกมันไว้ห้ามมันไว้ทนั้นเองแต่พอสติเผลอเมื่อไหร่มันก็มามาทำลายความความสงบได้ทันทีเจึงต้องทำฝึกทั้งสองอย่างแต่ตอนต้นให้ฝึกสติก่อนแล้วค่อยมาฝึกปัญญาอีกทีปัญญามองทุกอย่างที่ใจอยากว่าเป็นไตายักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะตัดความอยากได้อยากมีแฟนก็ตัดได้อยากไปเที่ยวก็ตัดได้อยากดื่มเครื่องดื่มโปรดก็ตัดได้ถ้าเห็นว่ามันถ้าดื่มแล้วมันติดแล้วเวลาไม่มีเดื่มมันจะทุกข์ใช่ไหถ้าเราเคยติดเครื่องดืม่มเราต้องดื่มทุกวันแล้วเกิดวันไหนไปอยู่ที่ที่ไม่มีเครื่องดืม่มที่เราติดจะทาไงเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที เช่นโซลานี่เครื่องเดิมเนี่ยเดิมแล้วเมาติดมันต้องเดิมอยู่เรื่อยๆ น, น, นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบในการหาความสุขในลูกแบบใหม่ความสุขที่เราไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกาย เหนื่อยไปกับร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าถ้าร่างกายอันนี้ตายไปก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าเราสามารถหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้ถ้าเราสามารถมีสติมีปัญญาเราจะสามารถสร้างและรักษาความสุขที่ได้จากความสงบให้อยู่กับใจไปตลอด พอไม่มีอะไรมาทาลายความสงบความสุขนี้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็จะสุขไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเหมือนกับดวงอาทิตย์มันก็จะส่องแสงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เหมือนงานความสุขที่จะได้จากการทำใจให้สงบแล้วก็กาจัดความอยากต่างๆที่จะมาคอยทำลายความสุขอันนี้ให้หมดไปความสุขมันก็จะ อยู่อย่างนั้นเหมือนกับแสงของแสงอาทิตย์เนี่ยยี่สบสี่ชั่วโมงดวงอาทิตย์นี่สว่างยี่บสี่ชั่วโมงเพียงแต่ว่าโลกเราไปหันหลังให้มันท่านนั้นแลวก็เลยคิดว่ามันมืดแต่ดวงอาทิตย์นี่มันสว่างตลอดเวลาไม่มีวันไหนที่มันไม่สว่างแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มีตลอดเวลาฉันได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่ได้รับการ รักษาด้วยปัญญามันก็จะสงบไปตลอดสุขไปตลอดเช่นความสุขของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสัลูมาจนถึงบัดนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่หายไปไม่ยังไม่ลดน้อยถอยไปไม่เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ลดน้อยลงเพราะมันเต็มที่แล้วมันไม่มีที่จะเพิ่มแล้ว มันเต็มเปลี่ยนายในหัวใจแต่มันไม่มีวันลดไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้ทางร่างกายใช่ไหมสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวเผล่แป๊บหายไปหมดแล้วเห็นมสุขจากปีใหม่หายไปแล้วทีนี้ก็ต้องไปรอสุขจากตรุษจีนแล้วเดี๋ยวพอสุขจากตรุษจีนหมดก็ไปรอสุขจากสงการเอย น, นี่แหละเป็นความสุขที่พวกเราหากันในขณะนี้เป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อย แต่ถ้าเกิดมีอุปสรรคเติมไม่ได้ที่จะทํำยังไงก็อยู่กับความทุกข์ไปถ้าร่างกายเจ็บก็หาไม่ได้ร่างกายแก่ก็หาไม่ค่อยไหวร่างกายจะตายก็ทําอะไรไม่ได้ น, นี้แหละอย่าไปหาความสุขแบบนี้กันมาหัดหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันตอนต้นก็ให้หัดมาลองชิมก่อนมาทำอาทิตย์ละวันก่อน พอจะให้มาอยู่ทักเจ็ดวันสิบวันนี้อยู่ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวจะตายเอกอึดอัดใจตา ย, ตายให้อยู่เฉยๆไม่ให้ดูหนังฟังเพลงไม่ให้กินนูน่นกินนี่มันอยู่ไม่ได้หรอกก็ลองเอาแค่วันหนึ่งก่อนลองหัดถือศีลแปดอาทิตย์ละวันเด้อล้วก็ล้วก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิถ้าถือศีลแปดเฉยๆแล้วไม่ฝึกสติฝึกสมาธิมันจะทนไม่ไหว แต่ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิมันจะบรรเทาความอึดอัดได้เวลาเรามีสติมีสมาธิถึงแม้จะไม่สงบเต็มที่อย่างน้อยมันก็จะทำให้เบาลงจะทำให้ความรู้สึกอึดอัดที่เกิดจากการที่เราต้องมาถือศีลแปนี่มันจะเบาลงตอนเย็นก็จะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ถ้าถือศีลแปดโดยไม่ฝึกสติไม่ฝึกสมาธินี่เดี๋ยวตอนเย็นโทรมานท้องร้องกรกกร ก, กรก แต่ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิมันจะเลิมคิดถึงเรื่องอาหารไปเพระเขาเลยให้บังคับให้เวลามาอยู่วัดตอนเย็นไปโบทกันไปไหว้พระสวดมนต์กันจะได้ไม่คิดถึงอาหารไม่ใช่อะไรหรอกให้ไปสวดมนต์นั่งสมาธิกันแล้วความหิวอาหารมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาลองทาดูของอย่างนี้ถ้าไม่ฝึกไม่ลองก็จะไม่มีวันทาได้ เหมือนถ้าอยากจะลงไปท่องเที่ยวในโลกใต้น้ำนี่ก็ต้องไปหัดว่ายน้ำหัดดำน้ำหัดใช้เครื่องหายใจพอทำได้แล้วทีนี้ก็อยากจะลงไปหาความสุขทางใต้น้ำมไหล่ก็สามารถไปได้ถ้าเรามีมหัสติมหั ส, สมาธิได้มหาปัญญาได้ เวลาไหนที่เราต้องการมีความสุขจากความสงบเราก็สามารถทำได้ทันทีเลย เ, เพราะมันจะต้องมีวันนะเวลาที่เราไม่สามารถไปเที่ยวได้ไม่สามารถไปหาความสุขทางร่างกายได้ถ้าถ้าเรารู้จากวิธีหาความสุขทางใจเราก็ยังมีความสุขสำรองอยู่าหาความสุขจากร่างกายไม่ได้ก็มาหาความสุขจากสติสมาธิก็ได้ เนีย่ยต้องควรจะทำเนะเพราะว่าต่อไปร่างกายมันจะไม่สามารถทำหาความสุขให้กับเราได้ไปตลอดหรือเงินทองอาจจะไม่พอใช้ก็ได้เนี่แต่ถ้ามีปัญหาแต่ถ้าเรามีวิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินทองไปเที่ยวไม่ได้ก็อยู่บ้านนั่งสมาธิไปก็มีความสุขได้เจ็บไข้ได้ป่วย อยู่ในโรงพยาบาลก็นั่งนอนสมาธิก็ได้พุทโธพุทโธในท่านอนก็ได้ดูลมหายใจในท่านอนก็ได้ไม่เป็นปัญหาเลยอันนี้แหละเรื่องของธรรมะถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะรู้เรื่องราวต่างๆที่เราไม่รู้มาก่อนแล้วมันจะทำให้เรานี้ไม่วุ่นวายเดือดร้อนเหมือนที่เรากำลังเป็นอยู่ขณะนี้ ช่วงนี้เราวุ่นวายเดือดร้อนกับร่างกายกันมากกลัวมันมากข่วงมันมากกลัวมันจะเป็นนู่นเป็นนี่กลัวมันจะเจ็บไข้ได้ป่ยวยกลัวมันจะแก่เห็นผมขาวเส้นเดียวโอ้ยเหมือนกับเห็นเพชฌฆาตเห็นเห็นตีนกาหน่อยโอ้ยเหมือแต่ถ้าเรามาศึกษาธรรมะแล้วเรามาปฏิบัติแล้ว เ, เลิกใช้ร่างกายได้เราจะไม่ไม่ไม่ไม่สนใจไม่ ยาแสกับความเป็นไปของร่างกายร่างกายผมมันจะงอกหนังมันจะเหี่ยวก็เรื่องของมันเราไม่ต้องใช้มันแล้วไปกลัวอะไรแต่ถ้าเรายังต้องใช้มันหาวิต้องมีหน้าตาดีๆสวยๆงามๆไม่ลอ่อล่อล่อลคนน่อนาานน ล, อ ล, อนนล่อลนอล่อล่อล่อล่อล่มล่อล่อล่อล่อล่อล่อลคนล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อ้่อล่อล่อล่อล่อล่อ่อล่อล่ออล่อ เราก็ไม่ไม่เดือดร้อนมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันกาเราสามารถที่จะมีความสุขได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนี่แหละคือธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าถ้าได้ศึกษาได้ฟังบ่อยๆแล้วเอาไปปฏิบัติได้จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เราสามารถมีได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายความสุขแบบนี้เราสามารถมีได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็มีความสุขแบบนี้โดยที่ไม่มีร่างกายพระสาวกต่างๆก็มีความสุขแบบนี้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิด พวกเราถ้ายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่เดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปก็ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ต้องมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆและเวลามันเกิดอาการ เ, าเกิดอาการเจ็บไข้หรืออาการเกิดการสะดุดไม่สามารถหาความสุขได้ก็จะเติรแต่ความทุกข์นี่แหละ ถ, ถ, ถ้ามีธรรมะแล้วใจจะสว่างจะสวาสวย ไม่ได้สว่างแบบแสงอาทิตย์นะสว่างด้วยปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่าเดี๋ยวมันต้องแก่เจ็บตายก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไปใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันใจมีสติมีปัญญาก็อยู่ได้อย่างสบายฉะนั้นสิ่งที่เราขาดกันตอนนี้ก็คือสติและปัญญาเราจะต้องอาหาเวลามาสร้างสติปัญญากัน ตอนต้นก็เอาแค่อาทิตย์ละวันก่อนวันพระวันพระสมัยก่อนก็คือวันหยุดแต่สมัยนี้วันพระมันไม่ตรงกับวันหยุดเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันหยุดเราหยุดทํางานวันไหนแล้วก็เอาวันนั้นเป็นวันพระวันเข้าวัดเี้เข้าใจไหมวันไปปฏิบัติธรรมวันไปสร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิขึ้นมาต้องลองทำนะถ้าไม่ทํามันก็จะไม่มีวันได้ แต่ถ้าลองทําแล้วต่อไปมันก็จะได้มันก็เหมือนเด็กอ่ะเด็กถ้ามันไม่หัดยืนหัดเดินมันก็ยืนไม่ได้มันก็จะคลานไปเรื่อยๆแต่ถ้าเวลามันหัดใหม่ๆมันก็ต้องล้มลุกคลุกคานไปยืนได้สองเก้าก็ล้มลงมาอีกแล้วไม่เป็นไรก็ลุกขึ้นมาใหม่ยืนใหม่เดินใหม่เดินได้สามสี่เก้าก็ล้มอีกแลก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็ยืนได้เดินได้แล้วก็วิ่งได้เ การปฏิบัติธรรมก็แบบเดียวกันใหม่ๆก็เหมือนกับทา้ากล้มลุกคุก ค, คานไปเรื่อยๆอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายต้องอดทนเหมือนเด็กว่าต่อไปถ้าเราปฏิบัติธรรมได้แล้วเราจะสบายเราจะไม่ต้องมาทุกกับร่างกายกต่อไปเอาล่ะนะอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ แล้วก็ขอประกาศอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังมามาทีหลังว่าพรุ่งนี้ไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการถ่ายทอดสดขอหยุดหนึ่งวันวันอังคารที่ยีบสองจะกลับมาต่อก็วันพุทธที่ยนะี่สิบสามเดี๋ยวอาจจะให้หลังจากที่เราเลิกแล้วให้ช่วยโพสข้อความไว้ในเฟ e บุ o กด้วยเพราะบางคนไม่ได้ฟัง อย่างน้อยแต่พอเขาเปิดขึ้นมาเขาก็จะได้เห็นข้อความบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการถ่ายทอดสดแต่อาจจะมีการสัญจร อ, อันนี้ไม่รู้แล้วแต่ทีมงานทีมงานอาจจะอยากจะไปสัญจรถ่ายทอดสดที่ที่อื่นก็แล้วแต่อันนี้ก็ขอให้เป็นแบบพลังเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เอาล่นะนาจะให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรติสาขังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาฬโสยะถามะนิโชติอระโสยะ ทาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายยสุขีทีขายุโกภวะพิวาทานศีลสานิจังวุฒาปจายโนจตารธรมมวทานติอายุวโนสุขัง พาลามวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b ุ๊ k เข้ามาสามร้อยแปดสิบเก้ายสองร้อยยี่สิบห้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบหกผู้รับฟังข้างบนนี้ยี่สิบห้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยหกสิบห้าครับ นำมัส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะมันมีข้อตรวงติงกันนิดหน่อยว่าพุทธวัจนะ เขาบอกว่ามันออกจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าถ้าท่องได้ตัดสังโยตได้เลยหนูเลยบอกว่าฉันท่องไม่ได้หรอกเพราะไม่มีเวลามีแต่เวลาพุทโธเสียบไก่ก็พุทโธอยู่กับไอเก่ <c oughs> าคำว่าพุทโธมันก็นิ่ององีเขาบอกว่าเนี่ยพี่มันตัดสังโยตได้เลยนาะไปกับหนูพี่ไม่ต้องไปวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้เลยไปตรงนี้แหละ ถูกแล้วหนูบอกไม่เป็นไรเราจะขึ้นไปถามครูบาอาจารย์น่พี่พอพูดว่าครูบาอาจารย์ตลอดเอ้าก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พราะตามคาหลวงตามหาบัวคือไปศึกษากับท่านมาท่านบอกพูดกับพระสงฆ์ที่ท่านเป็นภระสุปฏิปันโนต้องเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเพี่พูดยังไงแล้วว่าอย่างนี้มาไปกับหนูพี่ไม่ต้องเสียทรัพย์ไปหาของพ่อก็ไม่ต้องเสียทรัพย์ไปหาที่ไหนก็ไม่เสียทรัพย์แล้วพี่จะตัดสัโยาต์ได้ตัดได้ไงสัโยชน์ขนาดผ้าท่านบ มาตั้งนานท่านยังตัดไม่ได้เลยปฏิบัติยังไงหนูก็ถามเนี้ยเออถึงไปแล้วที่พี่ไปฟังทุกวันเนี้ยไม่ฟังจากพระโอษฐพุทธเจ้าใช่ไหมคะสงสัยที่ฟังจากปัญญาของท่านกันแล้วกันหนูเลยพูดอย่างนี้โยค่ะ อ, อมันเป็นยังไงพุทธวจนะหนูเพิ่งได้ยินเโยคะคําว่าพุทธวจนะก็คือวาจาของพระพุทธเจ้า อ, อ๋ อ, อ ก็คือคําสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะให้เรียนจากพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกเจ้าค่ะแต่บางคนเรียนแล้วไม่เข้าใจไงเจ้าค่ะก็เลยต้องมาสายอาจารย์ช่วยอธิบายให้อีกทีหนึ่งเจยวค่ะท่านั้นเองแต่เาถ้าฉลาดจริงเรียนแล้วเข้าใจก็บรรลุได้กช่เกี่ยวค่ะแต่น้อยคนที่จะบรรลุได้เจ้าค่ะเพราะมันไม่ใช่อยู่ที่การอ่านการเรียนอย่างเดียวมันต้องมีพลังทําตามที่เขาสอนให้ทําด้วยเจ้วค่ะ คือต้องมีสติมีสมาธิ <Yeah. S 2> ถึงจะสามารถที่จะไปตัดถึงจะไปใช้พุทธวจนะมาตัดสังโยชน์ได้ uh huh. ทีนึง okay, okay, okay. แต่ถ้ายังไม่มีสติไม่มีสมาธิอ่านไปก็ไม่มีกำลัง <Okay. S 2> ที่จะไปตัด okay, ได้ค่ะ <kh á. S 2> <Yeah. S 1> พอนุถามบอกว่ามันมีอะไรมั่งพุทธวจนะเขาก็เป็หนังสือมามาอ่านให้ฟัง mm hmm. อ๋ออ่านอย่างนี้ พี่ไปไม่ได้หรอกพี่อยู่ได้กับพูดโธกันนั่งดูลมหายใจพี่ฝึกมานานแล้วใช่เรามาฝึกสติก่อนดีกว่าเจ้าค่ะเพราะถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไปอ่านพุทธวจนะก็ทําตามไม่ได้ใชบเจ้าค่ะ<อ>ข้างหนูก็มี ม, มีมีพระอาจารย์ให้มาแต่หนูก็ไม่เคยท่องหนูบอกว่ามันยาก<อ>บางทีแล้ ว, อ, วอ่านตัวอ่าตัวทำมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่<อ><อ>หนูก็บอกว่าเอาง่ายๆดีวกว่าเอาพุดโทแล้วกันเนาะแล้วว่างนี้ก็ดูลมหายใจเขาบอกข้างนี้สิว่าพี่พี่ก็ไปทางของพี่ น้องก็ขหนูเขาไปทางของหนูก็แล้วกันบอกแล้วบอกนะทางใครทางมันหนูนนก็จบแล้วเมื่อเช้าเขาบอกว่า พี่เบอร์ไหนเดี๋ยวนูจะส่งอะไรวะศินกรรมฐานแปดอะไรนูบอกไม่รู้ว่าไม่ต้องส่งมาดอกพี่พี่จะพูดโทกับไก่แล้วกันเลยวะ่ะอค่ะบอกบอกแค่นี้ก็แล้พี่ไปไกลแล้วน้องยังตามไม่ไหวนลวน้องขอหัดกอไก่ขอขายไปก่อนกันแล้วกัน อ, อ๋อไอ้ว่างันจะขายแล้วเขาเขาจะไม่ไม่ต้องไปเถียงกันเอาแพ้ชนะยอมแพ้ก็ดีกัหนูแพ้นูบอกว่าหนูฟังปัญญากันแล้วกันไม่ออกจากพระโอรสดอกพี<ต>่ขออปัญญาแล้วกันว่างี้ย หนูยั ง, งโง่อยู่ยังต้องมีอาจารย์สอนอยู่เจ้าค่ะแต่พี่ฉลาดนี่พี่ฟังจากพระพุทธเจ้าได้เลยก็สาธุจ้าแก้วค่ะสาธุดูก็ว่าอย่างนี้แหละเจ้าค่ะสาธุจ้าทางใครทางมันไงเจ้าค่ะ ถนนมันมีหลายหลายเส้นไหมแต่ว่าหนูไม่ชอบเขาอย่างหนึ่งนะกิเลสขึ้นมาหน่อยหนึ่งเขาบอกพี่ชอบพูดแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอ้าไม่พี่พูดอย่างนี้อย่าพูดยังไงล่ะก็ตัวอัดตัวธรรมเป็นอาจารย์เอ้าตัวอัดตัวธรรมบางที่พี่พี่อ่านไม่ออกเลยว่าอย่างเงี้บางตัวพี่ก็อ่านไม่ออกพี่เป็นคนขายไก่ที่เป็นคนโง่แต่คนโง่ชอบสร้างบุญหนูเลยว่าอย่างเงี้ยก็นี้น่ะเจ้าค่ะทางใครทางมันทางใครทางมันเจ้าค่ะสาธุสว่างแล้วจ้าค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปสับล่างกันค เขาไปทางนู้นก็ปล่อยเขาไปเขาทาไม่หนูหนูุ้อยากให้ดูหนูหนูมีหนูไม่อ่านหนูปวดหนูอคุมดีกว่าบอกมันง่ายก็เรายังเป็นเด็กอนุบาลอยู่เราไม่ใช่เด็กมหาลัยมหาลัยทำไม่ได้ใช่รอะเขาเป็นเขาเป็นระดับมหาลัยแล้วก็ให้เขาไปเรายังเป็นแค่ขอไก่ขอไข่อยู่ขอหัดเรียนกอไก่ขอไข่ไปก่อนนะ ต่อไปจบหกแล้วจะจะไปเรียนต่อที่นั่นเราอ่ะรู้ป ว, วดหมดแล้วที่ไม่ปไปเอาสมาให้พี่นะขออยู่สับพุ่โทเลยอ่อ่ไม่เป็นไรดีสลลว่างเลยอ่นานาณาจิตตังโยมคาว่านานาจิตตังเหมือนานานาชาติใช่หไหมน า, นานาชาติก็ฝรั่งคนจีนแขก<ม>กินข้าวเหมือนกันไหมจะให้มันกินอย่างเดียวกันได้ว่า ใช่ไหมนานาชาติก็กินนานาอาหารเนี่ยนานาจิตตังก็นานาธรรมะธรรมะก็มีหลายระดับเนี่ยงัก็ทําไปตามระดับของเราก็าแล้วกักนอเข้าไปสูงแล้วก็สาธุอันอีกตรงนงวันพระที่ผ่านมาหนูว่าหนูนั่งอยู่อ่ะถ้าหนูหนั่งอยู่ศาลากลางน้ําอ่ะคือสามมาทิฏฐิไม่เข้าเลยที่วัดสวนนั่นนะออคือมันไม่เข้าเลยมันจะมีแต่แสงแดงๆเข้ามาเต็ม เ, ออเลยเออแต่มองไม่เห็นคนแต่แสงแดงอะ่ะแต่พอหนูอะ่ะบอกพอกินข้าวเสร็จแล้วหนูก็เดินไปนวิหารนะ่ะวิหารทีออ่สร้างก็ามาคือนั่งแป๊บเดียวอะ่ะออมันคือมันมันก็อยู่กับพวกบ้านเปล่าเลยไม่มีอะไรก็เรียกว่าสัปปายะไง บางที่มันก็สับปลายะบางที่ก็ไม่สับปลายะแล้วก็ลองหาที่มันสับปลายะจางนั้นพอเสร็จนู่จะไปอยู่คนเดียวก็ตามหรือไปว่าสายสินตะแมกตรงนี้มันดีนั่งแล้วมันเงียบไม่มองเห็นไม่เห็นคนไม่เห็นอะไรอกใช่ถึงต้องถึงต้องหาที่กันไงคนปฏิบัติบางทีลองตรงนี้ไม่ดีลองตรงนู้นดูอาจจะดีกว่าอะไรเนี้ย ก็ต้องเปลี่ยนที่ไปจริตของคนก็นานาจริตเหมือนกันนี่ยหนูอยากถามว่าทําไมที่หนูนั่งสาราการน้ําทําไมมีแต่แสงแดงเข้ามามาอยู่เต็มไปหมดสีแดงสีชมพูสีอะไรมองไปหมแต่ไม่มีคนนะแต่มีสีแดงกว้างวงกว้างเลยมันคืออะไรเจ้าคะก็มันคือที่ก็คือสีที่เราเห็นนั่นแหละคือเห็นต้องถามเลยก็รู้มันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันอ่าตาสุอ่าจะจเป็นยังไงเหร มันก็เป็นอย่างนั้นใจมันเป็นวัวเป็นควายรมันเป็นไม่ได้หรอกมันก็เป็นอย่างนั้นแหะค่ะมันเป็นอะไรแค่มันรู้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรมันเป็นแค่รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอ่ามันเป็นเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้อนัตตามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วอีกมีคําอีกอยากถามหลวงพ่อถ้ามีโทรศัพท์โทรถามวันนั้นกินข้าวพอกินข้าวเสร็จลืมเอาน้ํามาไปตัข้าวเราลืมเอาน้ํา พอกินได้สองคำมันติดคอพอติดคอลูกเขลุกเปลาน้ําพอดีพี่เขาบอกว่าพี่สินแปดด้วยสินอะไรบอกสินแปดอ้าวกินข้าวอยู่ทำไมเขาลุกทําไมบอกยหยปล่อยลูกตายตรงนี้เลยทุกท่าข้าวติดคออ๋อสินแปดลุกได้ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถือแบบพระว่านั่งนั่งฉันมือเดียวอย่างงี้ถ้าถัดฉันมือเดียวนี่ต้องนั่งไม่ลุกถ้าลุกมือเดียวถ้าลุกแล้วก็ถือว่าเลิกฉันแล้วไงเขาทำมาได้สองคำเอง เขาบอกว่าพี่ลาไยอ่ะพี่โต๊ะพากล้า ส, าสินเธอสินแปดหรือสินห้าพี่หนูสินแปดทรุุทำไมพี่พี่ยะงรู้ต า, ตายตรงนี้เลยนะว่ามันติดค อ, อสินแปดไม่ได้ถือมือเดียวสินแปดนี่ไม่ให้กินหลังเที่ยงวัน อจะกินกี่รอบกี่ครั้งก็ได้แต่ก็ต้องก่อนเที่ยงวันพอหลังเที่ยงวันแล้วถึงไม่ให้กินถือศีลอยังไม่รู้เลยศีลมปีอะไรบ้างโอ้ไม่ที่วัดตาเขาก็พากินสิบเอ็ดโมงครึ่มันก็ไม่แล้วไงก็ พอบายก็ในบดนะก็ห้ามเอาน้ํำเอาน้ําเข้าไปอย่างเดียวน้มาเลยเข้าไปนั่นไม่ได้ไม่ได้หลังจากเที่ยงวันแล้วหมลังจากเที่ยงวันแล้วอาหารไม่ได้แล้วเจ้าค่ะอก็หนูกินสองคำหนูก็กลัวหนูก็กลับมากินใหม่อีกก็ไม่เที่ยงอ่ะยังไม่เที่ยงก็กินได้เจ้าค่ะจเคนที่เขาพูดก็ไม่ดูไงเขาคิดว่ากินไม่ได้แล้วท่านลุกหนูบอกกับพี่กันยาเขาก็เคยมาเยอะๆจะถามท่านจะคุณให้ดูว่าหมูลูกจ่ากราค้านหน้าจริงจริงหรือว่าเขาก็หวยหรอ การนั้นสมการค่ะโยมันเป็นคนที่แบบเออมีคนเข้ามาปรึกษาเราก็ให้คําปรึกษาเขาไปให้ความช่วยเหลือเขาไปค่ะอาจารย์ทีนี้บางคนเข้ามาแบบเยอะที่เกินกําลังที่เราจะเข้าช่วยเขาได้บางทีเราจะตัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตรงนั้นเพราะว่าบางทีเรา<ก>รับรู้แล้วว่า รับรู้เรื่องนี้ถึงเวลาเท่านั้นเท่านี้หลังจากนั้นไม่รับแขกรับคนคือเหมือนกับว่าถ้าเรารับรู้เรื่องราวแล้วทําให้เราแบบไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้อะไรบางอย่างหนูก็เลยแบบไม่สบายใจก็เลยตัดการรับรู้เรื่องราวไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะจะถือว่าบาปไหมไม่บาปใช่ไมครับเพราะมันจะเกินกําลังเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เราที่กุฏิเราก็เขียนป้ายว่าไม่รับแขก ถ้าจะมาหาก็มาหาที่ศาลางเงี<ะ>้ยไม่งั้นเดี๋ยวบุกตลอดยี่บสีจะทําอะไรก็ทาไม่ได้เดี๋ยวคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาจะนอนก็มีคนมาเรียกจะเข้าห้องน้ำก็มีคนมาเรียกเราต้องดูที่กำลังของเราว่าจะช่วยเขาได้ขนาดไห น, นเราต้องจัดการกับการคนกับกับคนที่มาหาเราให้เขามาตามเวลาที่เราสะดวก<ะ>ถ้าเวลาไม่สะดวกก็ปฏิเสธไป<ะ>ไม่เสียหาย<ะ>ไม่บา พระพุทธเจ้ายังมีเวลาแสดงธรรมท่านท่านมีเวลาตอนบ่ายแสดงให้ญาติโยมตอนค่ําแสดงให้พระเนนตอนเดึกแสดงให้เทวดาอไม่ให้มาปนกันยุ่งกันอบางทีหนูต้องปล่อยแบว่าอุเบกขาบ้างบางทีมเคยทำบ้างเฉยนั้นตรงเฉยเพราะเรารู้ว่าเราใจอ่อนไงช่ถ้าเฉยได้ก็สบายปัญหาคือบางทีเราใจอ่อนไม่สบายใจพอปฏิเสธไปแล้วไม่สบายใจเท่านั้นเอง แล้ฝึกสติเวลาที่ปฏิเสธเขาว่าพุโทโธพุโทโธไปใช่ค่ะหนูเออตั้งอยู่กิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแบบพยายามพยายามกรรมตรงนี้ว่าเอ๊ะคําใครกำมันมาวันตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้นั่นแหละอ๋อค่ะต้ารู้จักปฏิเสธไม่เสียหายอะไรหมอกขายังปฏิเสธอะไรคนไข้บางทีไปปลุกหมอมารักษาเนี่ย หมอเขก็ต้องดูว่าอาการมันถึงขนาดไหนต้องปลุกมาหรือเปล่าฮะ <c oughs> ถ้าจะเป็นอาการเป็นอาการตายาเขาก็อาจจะพร้อมยินดีจแต่ถ้าเป็นอาการปวดท้องหน่อยมาหาหมอมปลุกงนี้มันก็มันก็ไม่ควรเนี <c oughs> ่ยบางคนก็บางทีเราก็เฮ้ยล้ามากแต่มีคนเพื่อนสติเราว่านักษาจะบอกแม่ดีนะไม่ได้ทำบุญอะไรประมาณนี้ที่เราแบบจิตเรามันจะล้ามากนี้ให้การปรึกษาไปเลยมานี้ตายไปก็ทําไม่ได้ของลูกไง <c oughs> ทำแม่ทำบุญจนไม่มีเวลาพักผ่อนเนี่ยแม่ตายไปแล้วจะไปทำบุญได้ยังไงซึ่ต้องมีเวลาพาักมัง่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันร่างกายก็ต้องการพักผ่อนเมื่อมันพังเต็มที่แล้วมันก็ทํางานได้ต้องมีเวลาทุกอย่างมีเวลาแต่บางทียังรับ่าสุขใจที่แบบช่วยเขาได้มันเป็นความจริงใจตรงนี้แต่มันก็ต้องสุขกายด้วยไม่จะสุขใจแต่ร่างกายจะตายเอ า, อา ต้องมีความพอดีสาธุเจ้าค่ะออมาชิมาปฏิปทาไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปพระอาจารว่าสติสติคือสําคัญมากต้องดึงสติเอาหมังกลับมาได้ใช่ไหมนะที่มีถามไหมบ้าอ่าไม่มีเอ่าไม่มีไม่มีออไม่มีมมมมคําถามจากทางบ้านนะครับคุณจงศรีอยากทราบว่า หากเราอยู่กับสามีมาหลายปีแล้วสามีเป็นคนติดเหล้าและอบายามุขเป็นที่พึ่งเราไม่ได้<ม>และเอาเปรียบในเรื่องการเงินเราควรแก้ปัญหาอย่างไรเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปคบคนไม่ดีคนพานก็อย่ากันหาวิธีคุยกันว่าเราไปด้วยกันไม่ได้แล้วคุณไปหาคนใหม่เถเิดนะฉันอยากจะอยู่ของฉันตามลําพังหรือว่าอยากจะหาคนใหม่ก็ว่าไปแต่ เราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วพูกนี้ไปอยู่แล้วขาดทุนอยู่แล้วไม่เป็นมงคลก็อย่าไปอยู่อาเซวานาจะบาลานังอุตธเจา้าบอกว่าอยาคบคนไม่ดีคนพาลคนเดิมเล่าคนผิดศีลนี่ไม่ดีคำถามต่อไปจากคุณชรินทิพ การที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับเราและเราะระลึกได้ว่ามันเป็นกรรมที่เราทำมาและเรากล่าวขออาโสิกรรมณนะเวลานั้นจะเป็นการลดกรรมได้ไหมคะถ้าคนที่เราทำไม่ดีกับเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขาจะรับรู้ได้ถึงการขอขมาไหมคะคือกรรมนี้มันมีสองส่วนไงกรรมกับเวรการขอขมานี่เป็นการลดลดเวรได้ เห็นเราไปขอโทษเขาอืเขาก็อาจจะให้อาภัยเราแล้วเขาก็ไม่จองเวรแต่กรรมที่เราทำกับเขานี่ลดไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวอนาคตเราอาจจะถูกทำกลับแบบเดียวกับที่เราทำกับเขาอาจจะไม่เป็นเขาก็ได้แต่เป็นคนอื่นเระฉะนั้นเรื่องของกรรมนี้ลดไม่ได้ลดได้ก็เรื่องของเวรถ้าผู้ที่เราเป็นคู่กรณีเขาให้อาภัยเราเวรก็จะไม่มีกัน <c oughs> คำถามจากคุณพัสกรมีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งการนั่งสมาธิจะต้องตั้งกายให้ตรงตลอดเวลาไหมครับผมสังเกตว่านั่งไปสักพักมันจะงอเล็กน้อยการขยับให้ตรงจะมีผลเสียไหมครับแอบดูตอนช่วงที่หลังงอก็ไม่ถึงกับค่อมครับ เ, ออเวลาเริ่มต้นเราก็ตั้งให้หมอนตรงแต่พอเราเริ่มภาวนาเริ่มดูลมเริ่มพุทโธก็ไม่ต้องไปกังวลกับท่าของร่างกาย มันจะงอบ้างไม่งอบ้างหรือเอ็นไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะเราถ้าเราไปคอยปรับร่างกายเราก็จะไม่ได้มาทำใจให้สงบนั่นเองเห็นเพราะเราเริ่มต้นพุทธะเริ่มต้นดูลมแล้วเราก็อย่าไปสนใจกับเรื่องร่างกายอย่าไปคิดถึงมันให้คิดอยู่กับพุทธคิดอยู่กับลมแล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับร่างกายคาถามที่สองครับ เราควรปฏิบัติธรรมสมถกรรมฐานถึงระดับฌานไหนจำเป็นต้องถึงฌานสี่ไหมครับถึงจะเริ่มพิจารณาวิปัสนาคือถ้าได้ฌานสี่มันก็จะสามารถใช้ปัญญา <c oughs> ตัดกิเลสได้ถ้ายังไม่ถึงฌานสี่มันยังไม่มีกำลังพอที่จะตัดกิเลสด้วยปัญญาเหมือนกับรับมีดอะ รับมีดให้มันคมครึ่งเดียวกับรับมีดให้มันคมเต็มที่เนี่ยผลมีผลแตกต่างกันเวลาเอาไปฟันอะไรถ้ามีดยังไม่คมเต็มที่มันก็จะฟันไม่ได้ดีเท่ากับมีดที่คมเต็มที่แล้วเนี่ยการฝึกสมาธิก็เป็นเหมือนกับการเป็นการรับมีดรับปัญญาคำถามต่อไปจากคุณบุญวัสนา บุญที่ได้จากการช่วยญาติที่ติดเหล้าเข้ารับการบําบัดรักษากับบุญที่เราได้ไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันและบุญสองบุญนี้สมควรที่จะเอามาเปรียบเทียบกันหรือไม่เจ้าขาไม่หรอกมันก็เหมือนส้มกับกล้วยกินส้มกับกล้วยมันก็เหมือนกันต้องที่กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันเอ แต่กล้วยมันก็มีรสชาติอย่างหนึ่งส้มก็มีรสชาติอย่างหนึ่งการปฏิบัติธรรมมันก็ได้ความสงบได้ความสุขอย่างหนึ่งการช่วยคนอื่นให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นความสุขอีกอย่างมันได้ความสุขเหมือนกันแต่ต่างระดับกันมากน้อยไม่เท่ากันแล้วก็ประโยชน์ที่จะกลับมาหาเราก็ไม่เหมือนกันถ้าเราเคยช่วยเขาอนาคตเขาอาจจะมาช่วยเรา แต่ถ้าเราไปนั่งสมาธิเราไม่เคยช่วยเขาอนาคตเขาก็อาจจะไม่มาช่วยเรามันต่างกันตรงนั้นคำถามต่อไปจากคุณดิษยามีสามคำถามครับคำถามที่หนึ่งอาชีพค้าขายออนไลน์ที่ไปรับสินค้ามาจากแบรนด์สินค้ามาขายในราคาถูกกว่าซื้อที่ห้างแบบนี้จะเป็นสัมมาอาชีพหรือเปล่าคะก็มไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนนี่ การค้าการขายก็เราซื้อมาเท่าไหร่เราก็ขายไปตามความเหมาะสมเราจะกำไรมากกำไรน้อยก็เรื่องของเราตั้งราคาได้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพแต่อย่างใดมิจฉาชีพนี่คือการค้าที่ทำให้เกิดพิษอันตรายต่อผู้อื่นเช่นขายสุราอย่างนี้ผู้อื่นเอาไปดื่มสุราแล้วก็เกิดโทษกับคนดื่มแล้วก็คนดื่มเมาก็ไปสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นอีกทอดหนึง่ง อย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นเป็นวิชาชีพไม่เป็นไม่ใช่เป็นสัมมาชีพคำถามที่สองเวลานั่งสมาธิจนจับลมหายใจไม่ได้แล้วเกิดภาพอะไรก็ตามผุดขึ้นมาเราจำเป็นต้องสูตรลมหายใจให้แรงขึ้นแล้วพุทโธหรือแค่ภาวนาพุทโธแต่ไม่ต้องบังคับลมหายใจให้แรงขึ้นถึงจะถูกไม่ต้องบังคับลมก็พยายามดูไปเรื่อยๆดูลมไป ถ้าดูลมก็ดูลมไปเรยไม่ต้องไปอย่างอื่นฮะถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้ดูลมถ้าไม่มีลมดูกด็ดูความไม่มีลมไปดูว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้วดูที่จุดเดียวดูที่ปลายจมูกคำถามที่สามการเข้าฌานได้คือสมาธิแบบอปปนาสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะเวลาเข้าฌานได้เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองใช่หรือไม่คะ รู้ได้ด้วยตนเองแต่ฌามนมันเป็นสี่ระดับระดับในรูปฌานมีสี่ฌานที่เราจะต้องเข้าให้ถึงก็ฌานที่สี่เหมือนขับรถขับรถเราก็ต้องการไปถึงเกียร์สี่รถบันถึงจะได้วิ่งเร็วได้อย่างเต็มที่ถ้ายังวิ่งเกียร์หนึ่งอยู่มันก็วิ่งได้ไม่เร็วก็ต้องคอยเปลี่ยนเกียร์จากหนึ่งไปสองจากสองไปสามจากสามไปสี่ฌานก็เหมือนกัน ชานก็เป็นเหมือนเกียร์รถพอเริ่มต้นนั่งมันก็จะเข้าชานหนึ่งล้วก็ดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าชานสองชานสามชา น, ส, าชานสี่ไปครับคำถามต่อไปจากคุณบุญก่อนนอนดิฉันเปิดมือถือบทสวดมนต์ฟังจนหลับไปก่อนสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเจ้าคะ่ะ หลับก่อนบทสวดมนต์จบครับคาถามก็แสดงว่าใช้บทสวดมนต์เป็นยานอนหลับเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ทางสมาธิแต่อย่างใดไม่เกิดประโยชน์ทางปัญญาแต่อย่างใดฝนจะมาแล้วเสียงดังมาแล้วคาถามต่อไปจากคุณยิงพัน พยายามทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิบางครั้งก็สงบแต่บางครั้งรู้สึกถึงตัวราคะโทสะชัดเจนและรุนแรงมากๆจนบางครั้งท้อแท้ว่าตัวเราเลวชั่วกิเลสไม่ลดแต่กลับเพิ่มขึ้นควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็อย่าไปคิดแต่เวลานั่งสมาธิใช่ไหมเมื่อกี้เขาบอกนั่งไปแล้วเ็าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่แสดงว่าเรานั่งโดยไม่มีสติ ก็ต้องให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปสนใจกับความคิดที่เข้ามามันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้แต่เราควบคุมให้มันอยู่กับพุทธโธได้แล้วเดี๋ยวถ้าเราอยู่กับพุทธโธไปไม่ไม่แวบไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองความคิดอย่างนี้เลยเอาแค่นี้ก่อนนะเสียงดังขับฟังไม่รู้เรื่องก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธินและขอฝากบอกอีกครั้งหนึ่งว่าพรุ่งนี้ไม่มีการแสดงธรรมถ่ายทอสดสดจะมีก็วันที่ยนะี่บสามวันพรุ่งนี้ยี่ิบสองอังคารขอหยุดหนึ่งวัน